กัเขาบอกว่าหนึ่งน่รารักสิกขารักตรสิกขามากอนะคุณอรายรักสิกขาสามเนี่ยรักไปเยอะแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ดูรักษาศีลดีละเจริญพุทธานุสตะินะศีลแสิกขากจิตแต่สิกขาก็ตามสมควรนะก็ดีซอสมควรนะข้อสองรักการไข้ควรทำมากมีความสุขกับการพิจรารณาธรรมากอันนี้ข้อสองนะที่นั่งไม่ น, าน่าละคุณอรายบอกว่าอีกไม่นานจะได้รู้แจ้งแล้วน้อง ไม่นานจะได้ทะลุแล้วนะก็เพราะว่านี่ได้องค์คุณทั้งสองแล้วใช่ไหมรักศิกขาก็รักพิจารณาธรรมะก็รักแล้วต่อไปอีกแม้รักในการกำจัดกิเลสมากเลยแม้ละตันหาได้หน่อยก็ดีใจมากเลยนะเออนี่ชนะแล้วผู้การมีนะนีะ่ผู้การเขามีนะว่าชนะอกุศลได้ไหมดีใจจริงๆเลยนะผู้การเขามีตัวนี้นะข้อสามเนี่ยกําจัดอกุศลได้หน่อยก็ดีใจอ่นะ นี่ถ้าไม่ดูบางอย่างที่เราชอบได้โอ้ดีใจมากเลยที่ไม่ได้ดูอย่างนั้นนะ <c oughs> นนี้อย่าง <c oughs> <c oughs> ดีใจที่กําจัดอกอุศลอันนั้นได้เนะี่ยดีใจมากเนะ <c oughs> ดีใจในการกำจัดความอยากนะโออะไรนะเย็นนี้เขากินเลี้ยงวันนี้วันอุโบสถนะแม่ตัดตัดอาหารอันนี้ได้เนะี่ยนะดีใจมากอย่างนั้นนะนะแปลว่าดีใจในการกําจัดความอยาก ต่อไปนะยินดีในการหลีกเล่นชอบวิเวกมากอยู่คนเดียวเงียบๆแล้วดีใจอ่ะนะอันนี้ก็หลายคนเขามีนะใช่ไหมมีนะ้คุณหลานมียังอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขมากเลยนะติดห้องแล้วก็ไมาทำคุยกับใครเนี่ยโอ้มีความสุขจริงๆอ่ะนะสาธุต่อไปนะมีความเพียรแล้วดีใจที่ได้เพียรในอิริยาบถสี่เลยนะปรารบความเพียรไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนเจริญกุศลได้ยาวต่อเ น, นื่องแล้วดีใจน่ะนะ กำจัดอกุศลวิตกได้แล้วดีใจมากเลยเนี่ยจากสติตรงนี้มีมั้งกำจัดอกุศลวิตกได้แล้วดีใจมากเลยเนะเออชนะแกไปครึ่งหนึ่งแล้วอันนี้ก็รักในการเริ่มความเพียรแล้วก็ต่อไปรักในการมีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตัวคือรักในการเจริญสัมปชัญญะสี่โดยเฉพาะส า, าสตกะสัมปชัญญะเนี่ยนะรักที่เจริญส า, าสตกะสัมปชัญญะเห็นคุณของศ า, าสตะกะสัมปชัญญะอ่ะ ใ น, นพวกประโยคน้ามากๆนะพวกนี้จะชอบมากพวกนักประโยคนาทั้งหลายจะชอบข้อหมากส่วนข้อเจ็ดนี่ยนะรักสัมมาทิฏฐิหมารักรักปัญญาที่จะบรรลุนะเพราะสัมมาทิฏฐิอันนี้คือตัวปัญญาที่จะบรรลุอนะรักที่จะบรรลุอย่างแรงกล้าเพราะตัวแทงตลอดด้วยทิฏฐิหมายถึงอริยมรรคขณะอริยมรรคนี่เป็นตัวบรรลุแต่ถ้าสรุปสรุปโดยรวมๆนะอย่างที่บอกครั้งก่อนว่าเศคาสาม รักการไข้ครวรทําก็ไข้ครวรอริยสัจใช่ไหมแล้วก็ข้อสามกำจัดส ม, มูทัยคือกําจัดความอยากก็คือกําจัดส ม, มูทัยข้อสี่ก็ยินดีในวิเวกห้าหกเจดนี้ก็วิริยะสติและปัญญาผลแสดงว่าข้อหนึ่งถึงข้อสามเนี่ยศรัทธาเป็นหลักนะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเนี่ยนะศรัทธาเป็นหลักข้อสี่วิเวกนั้นก็ประกาศถึงสมาธิสี่นี่ ก็ที่เหลือก็วิรยิยะสติและปัญญาก็คือการเจริญอินทรี่ห้าอีกในหนึ่งนั่นเองส่วนอภิภายตนะแปดอภิภายตนะแปดทั้งหมดนี้ก็คือรูปฌานรูปฌานนั่นเองนะฌานสี่ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าอภิภายตนะแปดเพราะว่าอภิภายตนะแปดก็เกี่ยวกับฌานที่มีอารมณ์ภายในบ้างฌานที่มีอารมณ์ภายนอกบ้างฌานที่มีวั น, นะเกะนบ้าง เพราะบางคนเนี่ยได้ฌานสี่เพราะกระสินภายในตัวมหาพูดกระสินภายในตัวบางคนนี่มหาพูดภายนอกบางคนนี่เจริญวันณกระสินแล้วได้ฌานแล้วก็อภิพากตระหนะแปดก็เป็นพวกที่ได้ฌานสีนั่นเองแล้นฌานสีนี่ควรรู้ยิ่งนะส่วนธรรมะเก้าที่ควรรู้ยิ่งคืออนุโภภาพวิหารเก้าอันนี้ก็ฌานที่หนึ่งถึงนิโรธสมาบัต จำง่ายๆว่ารูปประชานสีอารูปประชานสีและนิโรธสมาบัตินี่มาขึ้นนิชระวัตถุสิบในหน้าสองร้อยเก้าคำว่าทาสานิชระวัตถุนี้นิชระวัตถุสิบความว่านิชชาทิฏฐิเป็นต้นย่อมเสื่อมลงย่อมสลายไปฉะนั้นจึงเรียกว่านิชระนิชระก็คือเสื่อมเลยนะคำว่าวัตถุนี้คือวัตถุทั้งหลายวัตถุตัวนี้แปลว่าเหตุ วัตถุถ้าเป็นในอภิธรรมัสสังหาแปลว่าอะไรแปลว่าที่เกิดแต่วัตถุตรงนี้แปลว่าเหตุบางแห่งวัตถุแปลว่าเรื่องเช่นว่าจักขูปาจัคคูปาลเทระวัตถุเป็นต้นเนี่ยนะมิมาณวัตถุก็แปลว่าเรื่องแต่ตรงนี้แปลว่าเหตุเนี่ยนะเหตุวัตถุคือเหตุนั้นด้วยเสื่อมลงด้วยฉะนั้นจึงชื่อว่านิชระนิชระวัตถุ นิชราวัตถุนี้เป็นชื่อของกุศลธรรมมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นกุศลธรรมมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นที่เกิดขึ้นแล้วอกุศลธรรมมีมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นเสื่อมลงกุศลธรรมนี้เรียกว่านิชราวัตถุคือเหตุที่กําจัดอกุศลธรรมสิบประการกุศลธรรมสิบกาจัดอกุศลสิบ ข้อแรกเลยนะดู er, ความพิสูจน์ทั้งหลายมิจฉาทิฏฐิของผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมเสื่อมลงอากุศลธรรมอัล า, ามกเป็นอนเนกเหล่าใดมีมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัย ย, ย่อมเกิดขึ้นอกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นของผู้มีสัมมาทิฏฐินั้นก็ย่อมเสื่อมลงและกุศลธรรมเป็นอนเนกมีสัมมาทิฏฐิเป็นปันจจัยก็ย่อมถึงความเจริญเต็มที่เก็ถ้าว่าตามหลังเนี่ยนะว่าสัมมาทิฏฐิเมื่อเกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิเมื่อเกิด กำจัดมิจฉาทิฐิทีนี้ถ้าปกตินะมิจฉาทิฏฐิถ้ามันเกิดขึ้นมันจะเป็นปัจจัยให้อกุศลธรรมต่างๆเกิดเป็นอันมากเช่นกายาทุจริตวจีทูจริตและมโนทูจริตเนี่ยนะมีมิจฉาทิฐิเป็นปจัจัยเพรัะเมื่อสัมมาทิฐิเกิดขึ้นอย่างนี้กําจัดมิจฉาทิฏฐิด้วยกําจัด อกุศลธรรมต่างๆทั้งกายความชั่วทางกายทางวาจาทางใจที่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยด้วยและเมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดอย่างนี้แล้วเนี่ยกุศลธรรมก็จะไพยบูรยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นน ะ, นะอย่างนี้เรียกว่านิชระวัตถุข้อที่หนึ่งเนี่ยนะสัมมาทิฏฐินี้รู้อะไรทวนนะทวนว่าเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิรู้อริยสัจสี่ ถ้ามิจฉาทิฏฐิล่ะมิจฉาทิฏฐิก็คือสัจสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิย่อๆก็คือสกายะทิฏฐินั่นเองพราะเมื่อความรู้ในอริยสัจสี่เกิดขึ้นกำจัดมิจฉาทิฏฐิเคยได้ยินนะว่าพระอริยสาวกเนี่ยนะโดยเฉพาะพระโสดาบันเนี่ยเมื่อโสดาปฏิมร์ของท่านเกิดขึ้นบนรรลุอริยสัจ เมื่อบรลุอริยาาสัจกําจัดสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระพตาปรามมาส ก, การกําหนดรู้ทุกเนี่ยเพื่อละอะไรละสกายทิฏฐิใช่ไหมผู้ใดรู้ทุกขาอริยาาสัจกําจัดสกายะทิฏฐิรู้สมุทัยสัจกําจัดวิจิกิจฉารู้นิโรสัจะกําจัดรู้นิโรสักมมสกจกรมาคสัต์กําจัดศีระพตาปรามมาส ตรงนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าแทงตลอดอริยาศาสตร์สีแล้วกําจัดมิจฉาทิฏฐิทั้งที่เป็นสัสตทิฏฐิอุเฉท ท, ทิฏฐิก็แสดงว่ารวมถึงวิจิกิจฉาและศีลภัตตปรามาตรด้วยทีนี้ถ้าผู้ที่รู้อริยาศาสตร์อย่างนี้นะกำจัดมิจฉาทิฏฐิและกําจัดอากุโสรธรรมทั้งหลายที่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นปัดใจยยกตัวอย่างถ้าเป็นพระโสดาบันไปแล้วนะาบาปอกุศลเนี่ยลดไปเท่าไหร่ คิดอีกไลน์หนึ่งถ้าว่าแบบล่างๆหยาบๆเลยเนี่ยผู้ที่มีกรรมมศกตาปัญญาเนี่ยนะละบาปอาคุลไปเท่าไหร่แล้วใช่ไหมละไอความเข้าใจผิดด้วยละบาปอาคุลที่เกิดจากมิจฉาทิฏฐิต่างๆด้วยเพราะสัมมาทิฏฐินั้นจึงมีคุณมากเนีนะเป็นตัวกำจัดมิจฉาทิฏฐิและก็กำจัดอกุณลธรรมทั้งหลายที่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัย พอสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเนี่ยกุศลต่างๆก็เกิดอีกบานเลยใช่ไหมเช่นถ้ามีกรรมมศกตาอย่างเดียวนะทานก็ให้ศีลก็รักษากุศลธรรมต่างๆก็เจริญอีกมากนี่ถ้าได้โสดาปติมัคด้วยนะกุศลอย่างอื่นอีกเกิดอีกมากมายเลยอันนี้เป็นอันที่สองของสัมมาทิฐิถ้ากล่าวถึงมิจฉาทิฐิเนี่ยนะเป็นเป็นความรกความชัดมากรกชัดนะนะแล้วก็เป็นความกันดานมาก อะไรที่จะกันดานเท่าทิฏฐิไม่มีอะไรที่จะรกชัดเท่าทิฏฐิไม่มีรกก็คือมันข้ามยากะนะก้าวล่วงยากรกชัดเหมือนมิจฉาทิฏฐิกันดานทุกระทมเหมือนมิจฉาทิฏฐิไม่มีเพราะว่าอย่าลืมว่าคติสองของมิจฉาทิฏฐิก็คือนรกกระเดร์ชานนะเพราะเวลาที่เราเห็นหมัอาบายนะต่อไปก็ไม่ต้องแปลกใจแล้วว่ามาจากไหน เวลายุงมันบินว่อนไปหมดเลยก็ไม่ต้องแปลกใจแล้วมาจากไหนรู้แล้วเจ้ามาจากมิจฉาทิฐิปลวกมันกินเสาบ้านก็เจ้ามาจากมิจฉาทิฐิอย่างนันคิดคิดอย่างงี้น่าจะพอคิดไม่ยากไหมหมาเห่าทีเออเนี่ยผลของมิจฉาทิฐิก็ในสิ่งเดียวกันใช่ไหมแต่ว่าคิดกันคนละอย่างปลวกเห็นต้นไม้เนี่ยเป็นอะไรเอยเห็นเสาบ้านเรา เ, เรียเค็มไหมเป็นอาหารมนุษย์บอกว่าเป็นที่อยู่ มันคิดไม่เหมือนกันอย่างนี้แหละเรื่องเลียวเนี่ยมันคิดไม่เหมือนกันมันก็เลยยุ่งมากส <c oughs> ันทามิจฉาทิฏฐิมันเกิดขึ้นนะถ้าใครที่นิยมทำปริญญาในเรื่องอบายภูมิมา ก, มากๆเนี่ยให้พบทวนดูเถอะคืนฝนตกกบร้องระ ง, งมไปหมดเลยเนี่ยนก็นึกเออเนี่ยผลของมิจฉาทิฏฐิอย่างเบานเนี่ยนะแต่ก็ดีกว่าตกนรกเนี่ยนะนี่เขาพ้นจากนรกมาแล้วก็อย่างเบาแล้วนะ <c oughs> วก็แล้วเลือกไปว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยมิจฉาทิฏฐิพื้นฐานเข้ามาจากไหน มาจากสัสถะทิฏฐิกับอุเฉททิฏฐินั่นเองก็คือสกกายทิฏฐิเพราะในตัวทิฏฐิเหล่านี้มันเป็นปัจจัยแห่งบาปประทำอย่างอื่นอีกเป็นอเนกนะก็พวกที่เชื่อว่าตายแล้วศูนย์พวกนี้ไม่พยายามจะทำํำกุศลใช่ไหมเพราะนึกว่าตายแล้วศูนพราพวกนี้จะรีบทําบาปที่สุดเท่าที่จะทําได้นะก็สแสวงหาเหตุเพื่อให้ทําบาปถ้าพวกมีสัมมาทิฏฐิมากพวกนี้ก็น้อมไปเพื่อจะ สัมมาทิฏฐิมากก็น้องไปเพื่อจะเจริญกุศลพวกนี้ก็เห็นโทษใช่ไหมเห็นโทษมากก็จะรีบหนีที่สุดเท่าที่จะหนีได้แต่ถามทั้งนั้นทั้งนี้นะตัวที่รองรับมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิคืออัพยากต ธ, ธรรมโดยรวมๆนะเนี่ยอัพยากต ธ, ธรรมเนี่ยเป็นตัวรองรับสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิรังที่กล่าวเมื่อเช้าถึงมหาภูต ร, รูปเนี่ยนะมหาภูต ร, รูปเนี่ยมิจฉาทิฏฐิบุคคลก็บอกไม่เป็นไร ใครจะทำชั่วในมหาพูดเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรมหาพูดมีชีวิตครองเราฆ่ามันก็ไม่บาปเพราะพวกนั้นมันเกิดมาเป็นอาหารเราใช่หมมหาพูดนะเราจะลักก็ไม่เป็นไรเราจะทำบาปลักมหาพูดก็ไม่เป็นไรประพฤติผิดในมหาพูดไม่เป็นไรดื่มมหาพูดก็ไม่เป็นไรดื่มสุรานะมก็ดื่มมหาพูดนั่นะก็วนๆในมหาพูดถือว่าการทาทุจริตกรรมกับมหาพูดไม่เป็นไร ส่วนสัมมาทิฏฐิบอกไม่ได้ไม่ได้นี่นะถ้าแกกิดปทุสร้ายทําลายมหาพูดแกบาปนะแกะไปรักมหาพูดแกบาปอีกเห็นไเพราะฉะนั้นก็คือจะตั้งอยู่ในความสังวนสำรวมระวังในมหาพูดแล้วก็เสียสละคลายมหาพูดออกไปพวกสัมมาทิฏฐนะิน้อนไปเพื่อคลายมหาพูดพวกมิจฉาทิฏฐิก็ทํายังไงจะได้มหาพูดก็แล้วแต่จะคิดอนะจมแล้วแต่ติดข้องอนะ่ะ แต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็หาหิ้วมหาพูดเนี่ยมากฉะนั้นว่าโดยก็เนี่ยมหาพูดมันเป็นที่ตั้งแห่งสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฐิแล้วก็มาพิจารณาให้มากๆก็จะเห็นแล้วว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันเป็นทางรกมากสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นทางโล่งทางเตียนอันนี้ก็ไปทางมิจฉาทิฏฐิมากมันก็เลยมิจฉาทิฏฐิมันโล่งหมดละเดินสบายแล้วคันนี้ก็แบกไว้มากเดินตามไม่ยาก อย่างสมัยนี้นะถ้าเราไปบอกว่าฆ่าสัตว์มันบาปนะไปพูดผิดที่นะั่นลำบากนะก็ต้องพูดได้ในวัดแล้วก็บารแห่งเท่านั้นนะไปพูดทั่วไปก็ไม่ได้อีกต่อไปนะมิจฉาสังกปะว่ามิจฉาสังออขอไปมิจฉาสังกปะของผู้มีสัมมาสังกปะย่อมเสื่อมลงถ้าใครมีกุศลวิตกเกิดมากมใช่ไหมอากุศลวิตกก็ลดลงปกติถ้าอากุศลวิตกมันเกิดขึ้นนะคนนี้มันเก็บอยู่แต่ในใจหรือแค่คิดหรือ ไม่มันพูดด้วยมันทําด้วยเพราะผลของอกุศลนี่ตกเหมือนกับว่าใครไปชอบอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวก็พูดถึงแล้วไงนึกอยากทานอะไรนะั่นนึกบ่อยๆเดี๋ยวก็พูดถึงพูดถึงสิ่งนั้นแล้วเดี๋ยวก็ไปไปได้จนบริโภคอาจสิ่งนั้นจนได้นั่นแหละหรือถ้าไม่ชอบอันใดอันหนึ่งนะั่นเริ่มคิดอย่างนั้นบ่อยๆเดี๋ยวก็เริ่มบ่นนะเริ่มพูดในที่สุดก็พลุแตก พวกอกุศลวิตกเนี่ยนะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันความชั่วทางกายทางวาจาทางใจก็ตามมาเป็นบาปถ้ากุศลวิตกเกิดขึ้นนะมันทําลายอากุศลวิตกดังกล่าวไปและทําลายบาปประธรรมที่เกิดจากอากุศลวิตกเป็นปัจจัยทีนี้กุศลทั้งมวลก็ล้วนตามติดตามกุศลลวิตกใช่ไหมคิดดูนะเช่นถ้าคนมีเมตตามากๆเนี่ยตรึกให้คนอื่นมีความสุขบ่อยๆเนี่ยนะคำพูดเขาจะเป็นยังไง กุศลธรรมเป็นอันมากก็จะติดตามเข้ามายใช่ไหมอันสัมมาสังกปะนี้กำจัดอกุศลสังกปะด้วยและก็กำจัดบริวารของอกุศลสังกปะด้วยแล้วก็บริวารของกุศลสังกปะก็จะเจริญขึ้นจเจริญขึ้นต่อไปดูกวามพิสูจน์ทั้งหลายมิจฉาวาจาของผู้มีสัมมาวาจาย่อมเสื่อมลงหมายคำ ว, ว่าถ้าเขามีสัมมาวาจานะมิจฉาวาจาก็เสื่อมลงลดลง ถ้าเขาใช้ว่าจีสุจริตเท่าไหรว่าจีทุจริตเขาจะลดลงลดลงลดลงไปเท่านั้นนะนะบาปรธรรมทั้งหลายที่มีทุจริตเป็นบริวารก็จะลดลงไปด้วยเพราะว่าทุจริตทั้งหลายเนี่ยนะส่วนหนึ่งโดยเฉพาะกายยะทุจริตมีว่าจีเป็นสมุทฐานเป็นเบื้องต้นก่อนเพราะคนนี่จะพูดอาจจะทําในสิ่งที่ตนพูดถึงบ่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าสมาทานรักษาว่าจีสุดจริตได้นะ ว่าจีทุจริญก็ลดลงไปบาปธรรมทั้งหลายก็ลดลงไปเป็นอย่างมากบางทีนาาักศากษ์ทั้งหลายชอบพูดแล้วตัวเองเดือดร้อนใจในภายหลังไงพอมาใช้สัมมาวาจามากขึ้นก็ไม่ต้องลำบากใ จ, จาเพราะทำที่ตัวเองพูดไปกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นาสัมมาวาจาเป็นปัจจัยก็เกิดอีกเยอะเนี่ยเมื่อไหร่น้องที่เราสาธยายพุทธพจน์บ่อยๆแล้วเนี่คือสัมมาวาจานี่กุศลธรรมเป็นอันมากก็ ติดตามมาอีกเยอะพันพยายามสาธยายพระพุทธพจน์เอาไว้เถอะนั่นแหละเป็นสัมมาวาจาผู้ที่สุดยอดของสัมมาวาจาก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราสาธยายคําสอนของพระองค์บ่อยๆเราก็ฝึกเจริญสัมมาวาจาเอาไว้ดูการที่สูงทั้งหลายมิจฉากรรมมันตะของผู้มีสัมมากรรมมันตะย่อมเสื่อมลงหมายความว่าถ้าใครเจริญสัมมากรรมมันตะประพฤติความดีทางกายมาก ความชั่วทางกายก็ลดลงบาปอากุศลธรรมทั้งหลายที่มีกายเป็นสมุธฐานก็ลดลงมั้นก็หมั่นเจริญกุศลสังกัปะเอาไว้ให้มากเพราะกุศลสังกปปะนี่ทําให้กุศลอย่างอื่นติดตามมาอีกมากเนยนะนะยิ่งใครที่ทําสุจริญทางกายไว้เยอะๆนะเขาเหล่านั้นเนี่ยเขาจะปราโมดปีติอิ่มใจสบายใจในภายหลังเป็นอย่างมากเนยนะนะใครบางคนที่เขาไม่ค่อยได้ทําชั่วนะ ชีวิตนี้ไม่ค่อยได้ไปทําบาปทํากรรมอะไรมาเนี่ยแล้วเลิกแล้วก็เริ่มใจเลยใช่ไหมเพราะไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนึกแล้วทางธรรมะท่านใช้คําว่านึกแล้วไม่กินแหนงตัวเองเนี่ยนะนึกแล้วไม่ไม่กินแหนงแคงใจตัวเองเพราะว่าเอาพูดแบบพระวิทูลบัณฑิตก็ได้นะวิทูลบัณฑิตที่ยักเขาฆ่าใช่ไหมก็บอกเอ๊ะท่านทําไมท่านไม่ตกใจทําไมท่านไม่กลัวก็บอกข้าพเจ้าจะตกใจข้าพเจ้าจะกลัวไปทำไมข้าพเจ้าไม่ได้ทําบาปเอาไว้อ่ะะ ที่เขาไม่เดือดร้อนเพราะเขาไม่ได้ทําบาปไม่เหมือนกันแ้นก็ใครไม่ได้ทําความชั่วทางกายทางวาจาเอาไวเยอะเนี่ยนะก็ไม่มีอะไรน่ากลัวไม่ต้องกลัวอะไรเพราะไม่ได้ทําชั่วเอาไว้ใช่ไหมดูการพิสูจนทั้งหลายมิชฌาอาชีวะของผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมเสื่อมลงหมายถึงว่าถ้าตั้งอยู่ในสัมมาอาชีวะนะลดบาปไปเยอะนะลดความเดือดร้อนลดปัญหาไปเยอะเนี่ยนะ เช่นสมมติถ้าผู้ที่ค้าค้ายาเสพติดนะถามว่าติดตามด้วยความเดือดร้อนอะไรมาบ้างมันมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งที่ที่เราเคยไต่ผู้กาศหมู่บ้านใหญ่ๆนั่นน่ะที่หลังคาโตโตบ้านหมู่บ้านนั้นน่าจะรวยกว่าคนในอำเภออ่ะนะก็ก็ค้ายาที่เรียกว่ายาไม่ค่อยยาบ้านนั่นนะบอกว่าผู้ชายบ้านนั้นไม่ค่อยเหลือแล้วถูกจับไปเกือบหมดแล้ว ฆาตยากัน น, นะนะผู้ชายเนี่ยถูกจับไปหมดตํารวจเดี๋ยวก็มาปิดล้อมหมู่บ้านค้นย่งเงนะคำถามว่าเดือดร้อนขนาดไหนเนื่องจากประกอบอาชีพตัวนั้นนะนะ ห, หนักเข้าเนี่ยฆายาจะร่ํารวยมีบ้านมีช่องหมดตัวเองไปอยู่ในคุกเนี่ยมันได้ประโยชน์ตรงไหนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยสักอย่างนั่นทําให้เห็นว่าถ้าประกอบมิจฉาอาชีพนะแล้วตามมาด้วยบาปอากุศลเนี่ยนะถ้ายัางยังค่าเป็นร้อยร้อยเม็ดไปแล้วเนี่ยมันจะได้ออกมาอีกหรือเนี่ยนะ จะได้กลับมาชมโลกภายนอกอีกหรือเปล่าบางคนคนะ้ายาบ้าลูกน้องผู้การอะไรเขมีคือลูกน้องผู้การ น, นะเป็นผู้หญิงแล้วก็มีสามีสามีเขาก็ติดยาค้ายาแล้วก็ติดคุกแม่บ้านอยู่ข้างหลังก็ได้หมายไปอีกสามีก็น่นอยู่ในคุกล